ให้มันเป็นหลักใ่หลักตั้งไว้ที่หลักให้มันดีๆดูแบบนิมิตที่เราตั้งไว้นี่ยสำคัญมากๆอย่าคิดใจเลื่อนใจลอยจับงานจับการดูแบบก็ต้องมีจียาก็ต้องมีกรรมก็าต้องมีการกระทาก็ต้องต่อเรื่องบางทีมันก็ปวดควบง่ายบางทีมันก็เลื่อนลางทำอะไรที่ไม่เห็น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 ถ้ามันติดแล้วความรู้สึกตัวไปติดกับอริบทตรอริบทรก็เพื่อความรู้สึกตัวนั่นแหละมันจะง่ายต่อไปมันจะง่ายแต่ยากสาหรับทำใหม่ๆแล้วมันก็ฝึกตนเองไปในตัวเสร็จขณะเดียวกันกิยาที่เราทำความรู้สึกตัวที่เราเจตนาความเพียรที่เราพยายามทาต่อน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 เป็นศีลที่ถลุงแล้วเป็นสมาธิที่ถลุงแล้วเป็นปัญญาที่รอบลู่ในเรื่องแล้วแล้วมันก็มีอยู่ทุกคนยกมือสร้างจังหวะเคลื่อนไวไปมาลู่ได้ผิดได้ถูกได้ทุกได้มันก็คือลู่คือด่างไม่มีอะไรที่จะแสดงได้มากมายเท่ากับกองลู่กองน้ำ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 ปฏิบัติรรมถ้าจะว่าแล้วแรงไม่เสียท่วมไม่เสียมันหลงก็ลู่นะจะว่ายังไงมันไม่หลงก็ลูเล่เนี่ยมันสุขก็ลู่มันทุกข์ก็กลูล่เนี่ยแรงไม่เสียท่วมไม่เสียถ้าจะเห็นให้คมคมซะหน่อยก็เห็นเป็นรูปเป็นนามนะตามันคมเข้าไปถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามอา้าวไม่ต้องเรียกว่ารูปไม่ต้องเรียก ว, ว่าเวทนาไม่ต้องเรียก ว, ว่า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 ออในช่างติดสร้างขัดทั้งห้าหมดสภาพแล้วเห็นเป็นรู ป, ประธรรมเห็นเป็นนามธรรมอุปทานที่ก็เป็นของกองรูปกองนามหมดสภาพแล้วเจ้าของขันท่าคืออุปทานหมดสิทธิ์แล้วมีสติสัพพัญญะเป็นผู้ครองกองรูปกองนามเจ้าอุปทานไม่มีสิทธิ์